วันนี้อาจจะมาได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่นี้เพราะว่าดุจเด่นหากคุณทุกู้ชมดื่มจนดุจเดือดนะได้ติดตามมิมนมาพบกับญาติโยมทั้งหลายที่นี่ด้วยที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในที่นี้นับว่าเป็นโชคดีมากที่สุด บางท่านก็คงจะไม่รู้จักว่านั่งอยู่ในตะเคียนหน้าก่านนี้คืออะไรแต่ น, นี่ก็คือพระสงฆ์เทร ว, วาสซึ่งประ ก, ก็เป็นไทยแลนด์เมือไทยได้พยายามเข้ามาสู่เมืองนี้กว่าสุระบางอย่างฉะนั้นจึงมนประชุมกันแบนี้เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปของเทร ว, วาทพุทธศ า, าสะนาเหมาะสมควรที่อยู่เมืองไทย มีสันนักนีเรียกว่าสันนักวัดหนองปลาปงและก็มีชาวชาวรันตุไปศึกษาสิ่งธรรมฐานเรื่องพุทธศาสนาตลอดจนตัววันนี้มากมายในเรื่องพระพุทธศาสนาสของเถรวาทที่ดำเนินมานี้เป็นคำสอนที่ ใหม่เสมอไม่เคยเก่าแก่ไม่เคยเสียหายอยา่างทุกทันทุกสมัยทุกเวลากับประชาชนทั้งหลายด้วยคือสอนให้ประชาชนทุกกลุ่มเราเรามีความสามัคคีกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันในความสามัคคีมั่นคง เป็นตนว่าท่านจะสอนพวกเราท่านทั้งหลายนั่นในถุ่มมันเดียวคืออะไรที่จะเป็นความทั่วที่เดือดร้อนไม่สงบวุ่นวายท่านสอนในพยายามละสิ่ทั้งหลายเหล่านั้นตอนนั้นปลายท่านก็สอนให้มีปัญญารู้จักความผิดชอบที่จะทำให้มันเดือดร้อนเฉพาะบุคคลและกลุม่มชนทั้งหลายด้วย ที่ท่านรวมเรียกว่าดักของพุทธสาสนาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาต่อ น, นั้นไปท่านทําจิตใจให้สงบระงบับจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี้ถึงแม้ว่าจะมีบ้านอาคารหลังใหญ่ให้เราอยู่สบายมันก็ยังไม่สบายเพราะจิตใจของเราเหมือยร้ อ, รอนเพราะความวุ่นวายเพราะความเล่นผิดพูดถึงเรื่องจิตใจ ของพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปนี้จะเห้พยายามทําจิตใจให้เป็นสมาธิคือทําจิตให้เป็นหนึ่งกับอารมณ์อันหนึ่งที่อเรียกว่าสมาธิจงสั่งใจฟังต่อไปนี้การทาําจิตของเราทั้งหลายให้มีกาลังตางจากการกระทําร่างกายเราให้มีกำลังเเรียบแรง ร่างกายเราจะมีกำลังมากจะต้องวิ่งจะต้องเคลื่อนไหวตอนเช้าตอนเย็นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเคลื่อนไหวส่วนจิตนั้นทำจิตให้หยุดนิ่งทำจิต ใ, ให้ส ง, งบจิตจะเป็นภาระจิตจึงจะมีกำลังเรียกว่าสมาธิคำที่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธินั้นไม่ใช่ว่าทำเดียวนี้มันจะเป็นสมาธิเดียวนี้เพราะว่าจิตของเรานี้ เรายังไม่เคยฝึกให้ม่งยังไม่เคยฝึกให้จิตสงบตั้งแต่เมื่อเราเกิดมายังไม่เคยยังจะมีวันนี้ที่จะทำจิตให้สงบที่จะนั่งจงสั่งใจทํำสงบบ้างก็เอาไม่สงบบ้างก็เอาประชาชนบางท่านจะมาเคยฝึก ก, ก็บกลัวกลัวจิตกลัวว่าทําจิตให้สงบกลัวมันจะเป็นโรคประสาท กัวมันจะเป็นบ้าตัวจะเป็นในหลายอย่างมีเพราะเรายังไม่เคฝึกก็กลัวไปอย่างนั้นนี่แคนั้นอันนี้ไม่มีอะไรแล้วต่อไปนี้ท่านจะนั่งในลักษณะอันในประจานจะนั่งในความสงบให้มีท่าตางันสงบสบายให้ท่านทุกคนดับตาลงจากนุดหนึ่งแล้วก็กําหนดโลมหายใจเข้าออกลองกำหนดดูี่ลองกำหน ด, ลน ด, ลนดโลมหายใจเข้าออกดูสิลองเรียนเนี้ออยทำเรียนเนี้ย ทออกกเาเลยใครจะนั่งเก็อีก็เอาใครจะนั่งขึ้นลาบก็เอาทําอย่างเนี้่ย ห, หายใจออกหายใจเข้าให้กำห น, นดรู้อย่าบังคับลมให้มันเร็วอย่าบังคับลมให้มันช้าอย่าบังคับลมให้มันแรงให้มันเบาปล่อยตามปกติของมนันและมีความรู้สี่ลมเข้าออกตามสบายเท่านั้นเป็นลมไหม รู้ลมไหมลมเป็นอย่างไรผู้รู้เป็นอย่างไรเห็นในใจเราไหมผู้รู้อยู่ที่ไหนลมอยู่ที่ไหนลมเป็นอย่างไรผู้รู้เป็นอย่างไรให้คำนวณอย่างนี้อรู้จักเอาผูร้รู้คือความที่รู้สิทินั่นแหละตามลมเข้าและก็ตามลมออกตามลมเข้าตามลมออกให้สบาย ทุระของพวกท่านทั้งหลายที่จะทําอยู่ในอีลานี้ไม่มากให้กําหนดรู้ลมออกลมเข้าเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องคิดว่ากำหนดลมหายใจนี่มันจะเป็นอย่างไรมันจะรู้อะไรไหมมันจะเห็นอะไรไหมยอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพวกท่านที่จะคิดไปหน้าที่ของพวกท่านมีจะรู้ว่าลมมันออกลมมันเข้าเท่านั้นเนี่ยก็พอแล้วทุกวันคงจะไม่เคยกําหนดรู้ลมนะ หายใจพิ่งมานานแล้วหลายปีแล้วหลายเวลาแล้วไม่รู้จักรมมันออกไม่รู้จักอารมณ์มันเข้าวันนี้ที่จะรู้ได้ก็ให้กำหนดว่ามันเข้าอย่างไรมันออกอย่างไรให้กำหนดตามอย่างเดียน อ, อารมณ์คือวมที่มีคุณค่ามากใล่นะเป็นอาหารอย่างยอดของอาหารอาหารนี้ถ้าไมาได้กินสักสองส้วงก็แย่แล้ว อาหารคือคำข้าวเลี้ยงร่างกายนะั้นไม่ได้กินสักวันสองวันก็พอทนได้อาหารคือรมนี่ในะหานใจสักห้านาทีหรือสองนาทีก็เต็มทีก็แล้วฉะนั้นเดี๋ยลมนี่จึงมีคุณค่ามันมีความสำคัญทางไรจงกำหนดรู้รวมให้ละเอียดทุกทุกคนนะเอากํำนด์รู้วมต่อไปอยาให้จิตพุ่งขึ้นข้างบนพุ่งลงข้างล่างพุ่งไปทางซ้ายพุ่งไปทางขวาพุ่งไปทางหน้าทางหลัง ให้จิตรู้เพพาะลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกนี้เท่านั้นอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นโรคประสาทมันจะเป็นบ้ายิ่งทําดียิ่งมันจะหายโรคประสาทใชด้วยนะไม่เป็นบ้าใช่เลยนะหายโรคประสาทใช่เลยนะอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นอื่นไปนะเอาตั้งใจทําแล้วต่างคนกับต่างยังไม่รู้จักกันหราเพิ่งมาพบกันวันนี้แต่อาจจะมาที่ประเทศอะไรไป บางสิ่งบางอย่างนั่นบางทีมันไม่ถูกต้องตามกรเาเชสากจะให้อภัยเลยนะขอโทษเลยนะคนเราอะไรที่ยังไม่รู้จักมันโง่ทุกคนเนี่ยอะไรที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้โง่ทุกคนที่มังไม่รู้จักมันต้องโง่ให้เข้าใจไว้เพราะผิดคนโดยมากน้อมไปเลยน้อกประมาเช่นวันนี้ให้มั่งสงบอย่างนี้นะ ไอคนที่ฉลาดบางคนคงจะรู้ว่าแม่มันไม่สงบหรอกเสียงอะไรมาควรเราเสียงเด็กมันมาควรเราเสียงเดียมันมาควรเราทุกอย่างไม่สงบเงี้ยอย่างนี้ตัวนึกว่าเราคิดถูกเพราะความฉลาดแต่ว่าความโง่ในนั้นเห็นเนี่ยมว่าเสียงมันมาควรเราที่เราไปควรเสียงอย่างนี้เราไม่นึกดูนะถ้าที่แพ้เราเราไม่ไปควนเสียงในะเสียงมาควนเราเน่ะใช่ไหมเป็นอย่างไงเนาะเราไปควรเขาที่เขามาควรเราเน่ะดูที่ ออนี่แหละมันมันมันโง่อยู่อย่างนี่แหละคนฉลาดโง่มันโง่อย่างนี้เอนี่นงี้ยมัยังไม่ยอมอยู่ไหนเนี่ยอย่างเนี้ยคือเราไม่รู้จักบตรงนี้เคอเรานอกมองไปทางนอกไม่ดูข้างในใช่ไหมตอนนี้ก็เราฉลาดด้ว่ยไปใครควรยิงเราไปควรเขาแสบแย่เลยนี่พวกเขามาควรเราอย่าี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุให้พวกเราสังไห่ม่นสบายใจ เป็นเหตุใจเราไม่สงบเป็นเหตุใใจเราไม่สบายวุ่นวายเพราะเราไม่รู้ตัวเราเองอย่างนี้อย่างโรคปัจจุบันนี้ในเมืองนี้ทุกๆเมืองอะไรแหละเขาเป็นเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเราไปยึดหมายว่าเขานั้นไม่ดีเขานั้นดีอย่างนั้นชอบใจเราอย่างนี้ไม่ชอบใจเราอย่างนี้เราก็วุ่นวายขนาดเนียไอความเปจริงโลกเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องของเราเองพอเราโงู ลูกศิษย์อาตมานี่เยอะมันจันทรงมมาเรียนมหาวิทยาลายัยทางชาตะวตันตกเนี่ยอพูดถึงลูกศิษย์อาตมานะเรียนก็ไปยิ่งโง่ยิ่งทุกข์ยิ่งเสียงกันไม่ปกลงกันทนะั้งนั้นอิ่งแย่งกันทั้งนั้นเนี่ยนี่จะเสี่ยงกันไม่ต้องทํางานหรอกอย่างนี้ยก็เพราะไม่รู้จักเจ้าของนั่นเองวันนี้ถึงมาเล่าเรื่องพุทธศาสตร์ไปฟังวันนี้เรื่องพุทธศาสตร ศาสตร์ในปัจจุบันนี่ยมันหลายศาสตร์เยอะจนนับไม่ไหวแลยศาสตร์ที่เราเราเรียนนะนแค่ว่าสาสตรไม่เคยยอมกันน่ะศาสตรอะไรก็ดีทั้งนั้นเนี่ยแตบังเอมารวมพุทธศาสต์ถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เด้่ยาสาตร์นั้นยังให้ไม่ได้ยังไม่รงรอยกันนยังแข่งแย่งกันยังหยิบถากันยังพยาบาลกันยังวุ่นวายกันตลอดเวลานั่นบัดนี้ถือโอกาสมาพูดให้ฟังนะ เอาของขวนมาฟากบางทีถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นก็แก้ตัวนะในจิตของเรานี้มันมีอะไรที่มันควรจะดีมั้งค่อยๆหยิบมันออกอย่าเพิ่มมันเข้ามาเลยค่อยๆหยิบมันออกอะไรที่มันไม่ดีมันเหยียดเยียนตัวดี่เหยียดเยียนคนอื่นเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีในใจค่อยๆหยิบมันออกอย่าเพิ่มมันเข้ามามันนักอันนี้เรื่องเริ่มพุทธศาสตร์เบื้องแรกท่านสอนเรื่องศีลเป็นตัวอย่าง หนึ่งเรื่องที่ให้เดียดเดียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทางมนุษย์นี้ปล่อยกันเนี่ยอันนี้จะเป็นพุทธศาสตร์อันนี้มาให้เราเดี๋ยวน้ในประการที่สองก็มาให้เราแย่งจิตกันเล่กันทุกอย่างให้ปล่อยตามอยา่าไปแย่งจิตกันอย่ด้ปแขยงแย่งกังมนมีอันหนึ่งอันนี้เราก็ปล่อยไปอืมอันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ไอที่สามนั่นก็พูดสมัยราราะเราเนะ ม, มีครอบมีครัวเป็นธรรมดาอย่าไป น, นอกใจครอบครัวเราถ้าไป น, นอกใจครอบครัวเราเนี่ยเป็นเรื่องเดือดร้อนประการห น, นึ่งแล้วประการที่สามอยาโกหกกันมีความซื่อสัตว์กันทุกๆุคนอันนี้เป็นข้ออันนึงเรียกว่าพุชักาข้อที่ห้านั้นอย่าไปดื่มของเมามันเมาอยู่แล้วแหละในใจเรามันเมาอยู่ทุกอย่างเราไปดื่มมันเข้ามันเลยเมาเมาเลยมันกลายเป็นมืมดในรูเรื่อง ถ้ามารวมกันได้ตรงนี้เรียกเรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่มันครอบศาสต์ทั้งหลายเมื่อให้ศาสตร์ทั้งหลายผิดไปไศาสตร์ทั้งหลายต่อความเดือดร้อนพุทธศาสตร์นี่คือครอบแต่อย่างเนี้ยทุกๆคนก็เหมือนพี่กันน้องกันทุกคนไม่หยุดหยุาฝ่าพยาบาทกันชาเรียนศาสต์ทุกอย่างมีความรู้เดียมารวมพุทธศาสตร์นี้เดี๋ยว่าเราเป็นชาวพุทธเกี่ยวกับพุทธศาสตร์ศาสนาทั้งนั้น ที่ไหนพอสบายดูที่ไห น, หนตัวเยียบเย็นตรงนั้นอันนี้มีความหมายอย่างนี้ที่อมาจารยมาตัดเรียนวันนี้เราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ใครเป็นทุกข์ไหมเครทุกข์ใจไหมทําไมมันถึงทุกข์ใจทําไมทําไมมันถึงทุกข์ใจมันเป็นอะไรในใจใจมันคิดผิดหรมันถึงทุกข์ถ้ามันคิดถูกมันจะทุกข์ไหมเนี่ย มีให้โยมมาไปพิจารณาอย่างนี้การทำรรํำสมาธิวันนี้เตัวการผิดหงุดหงเนี่ยให้รู้จักตัวนี้เองเพือารมจิตนี้ให้มันรู้จักทางมันจะ้ะให้มันรู้จักผิดรู้จักโูแต่วันนี้จังใจไม่ใช่มากหรอกไหมไม่มีเวลาอถ้าจะนั่งตามแบบจริงๆแล้วจะต้องจะต้องทําใหม่ออันนี้เดียวว่าอจะมาไม่มาเทิดใม่ฟังหรือมาเยี่ยมมาเยี่ยม ให้ความเห็นนี้ไม่เสียน้อยนั่งนั่งอาจจะมาจินขอโทษถ้าหากว่านั่งจะมาที่จริงๆก็อาจจะมาแหละต่อไปเนี่ยทามาเนี่ยมาให้นั่งเก้าอี้อย่างนั้นแหละนั่งพื้นรากเป็นแรงยยุ่นฝึกเตรียมที่จ้องทำอย่างนั้นทําย่างนี้ก็สบายเกินไปแลายอยู่ก็ตทั้งว่างนอนเท่านั้นแหละจะนั่งพื้นราบทำสมาธิจริงๆอย่างนั้นต่อไปก่อนมาที่หลังก่อนจ้าใหม่บัานี้ให้ให้ใหอภยยัยอ่ะ อาคารบ้านท้องมันใหญ่มันโตถึงนั้นเนี่ยอที่ไหนมันก็ใหญ่โตถึงนั้นเนี่จะอยู่ไม่ค่อยสบายมันรู้ว่าเป็นไงอยู่บ้านท้องใหญ่โตโตไม่ค่อยสบายบางทีนอนไมหลับทั้งคืนนึ่รู้ว่าเป็นไงอันนี้ไม่เป็นเพระอะไรนี่ดูที่ชื่อยู่ในแต่อันนี่เนี่ยดีไหอธรรมชาติ ด, ดีัึงนั้นเนี่ยมันดีแต่ธรรมชาติใจเรามันทําไมมันไม่ดี อนีมันเป็นเคราะอะไรท่านั้นก็ต้องแต่งใจเราจะมาแตนอาชาดีมันไหลเห็นไหลท่านตัวนี้เขาไม่สบายถ้าใจเราไม่ถูกมันถ้ามชาติจะมาแต่งให้มันดีขึ้นกว่าิใจแล้วก็ยังไม่ดีเพราะเราไม่แต่งใจเราทฉะนั้นวันนี้อาจจะมาเป็นคนอยากจยงเน้นแต่งใจเป็นของที่สำคัญมากที่สุดที่อยู่ที่อาศัยนี้อาหารการออยู่กินนี่อาหารเลี้ยงร่างกายเราเนี่ยจะมาว่ามันสมบูรณ์แล้ว มีเดียค น, นอ้วนๆดังนั้นเนี่ยแต่ว่าอาหารเรื่องจิตใจอาจารย์มาเห็นว่ามันยังไม่ค่อยจะพออ่ะบางคนไปนั่งงงอยู่ฝั่งทะเรนเนี่ยนั่งจะดูๆแล้ว ก, ก็นั่งนั่งไม่สบายนะยังไงท่าที่ไม่สบายไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเลยอาจมาเห็นว่ามันขาดอาหารอย่างหนึ่งจิได้บางทีไปถามบอกคุณคุณทังคุณทีเนี้ยจะมา ร, รู้สึกว่าอาหารหมดขาดทหารทางใจมากเคยมีไหม รู้นะรู้นะอะไรมันเป็นเหตุไหมอะไรมันเป็นเหตุไหมมันให้เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุไม่ใช่มันเกิดจะมาเฉยๆหรอกมันมีเหตุต้องเคลียเหตุกันดอกใจหน่อยทำไม่เอาเหตุกันดอกมันวนอยู่นั่นแหละกลัวอยู่นั่นแหละไม่สบายทั้งนั่นแหละจะนอนฟูกนิ่มๆมันก็ไม่นิ่มหรอกจะนอนบ้านหลังใหญ่ๆมันก็ไม่ใหญ่หรอกใจมันน้อยมันจะหมดมันจะตายเอาแน่ มันแบกอะไรหนักจุกเหมือนรูปมันทีนอนแบกเนี่ยยิตมันแบกเหมือนกลายเดียวนะนอนมันก็แบกใช่ไหวางบางทีน้ำตาลมันไหลก็ตั้งคืนเนี่ยแหละไม่รู้มันแบกอะไรใจโยมไม่รู้จักแล้วเพราะไม่ไปภาวนาไม่ทำสมาธิบันดังตองค้นคว้าหาให้ได้เรามันขาดอาหารทางจิตอาหารกายมันพอควรแล้วอการพูดไม่ค่อยสะดวก พูดจะส่งไปให้มมหคนนี้ให้คนนี้ส่งไปให้คนนั้นไปถึงคนที่สามมันเยีะเพราะต้นไม่รู้บางทีส่งไป ห, ห้าชิ้นไปถึงคนโนดชิ้นเดียวก็ไม่พอเลยอันนี้มันก็แยกอยู่แต่มันลาบากค่อยๆฟังต้องเป็นอย่างนะ้นอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายเห็นใจฮะถ้าหากว่าอาธมาอธิบายไปนี่ก็พอฟังได้หรอกมาติดต่อกันเนี่ย ไม่ได้ทรงไห้ใครเอาให้เฉพาะเฉพาะ ไ, ได้หมดมี่ทรงให้ท่านพระพาการโอในทรงให้ผิดท่อนหรือจทรงให้โยงในสองท่อนนี่มันก็ได้ <c oughs> บางที่ไม่มีเลยไม่มีเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเอาละที่นี่นะเอาที่นี้พอพอควรต่อ น, นี้ไปก็อ่าอออ่ า, อาจะให้มีต่อไปนีในโอกาสพอควรเนา่าจะให้อ่า <c oughs> เขาใชา้หนังให้ให้ดู หนังอ่้เอาออกมาจากวัดตงประมงไทยแลนด์บีดีซีกรุงดันดกนเขาไปถ่ายทอดอาจจะมากรุงดันดอนีด้มาแวะมาดูถือมาด้วยด้วยอืโดยถ่ายเรื่องพระสงฆ์อยู่กันอย่างไรพระสงฆ์อยู่ในป่าทําอะไรกันเดินนอนกินข้าวอยู่เฉยๆอยู่ทําอะไรกันอย่างนี้นประชาชนจังหลายในค ร, รุจิติของพระแต่นั้นเอาจริง ถ่ายเป็นภาพนังมาให้ดูต่อไปจะเป็นคืนที่สองที่ลุงพ่อจะนั่มพวกฝรังและคนไทยนั่งสมาธิภาวนาและการเทศด้วยที่ประเทศแคนาดากงแวนคูเวอร์ ประธานที่นั่นก็อยู่มหาวิทยาลัยเวมหาวิทยาลัยวิริสคลัมเบียแล้วก็อยู่เราทำสมาธิกันในห้องเขาเรกห้องนานาชาติจะได้โอกาสฟังต่อบแล้วก็จะเป็นตรงกับวันที่วันที่เจ็ดเดือนมิถุนายนตรงกับวันพฤหัสวานที่จะทำกรรมฐานเป็นเมืองแรก จะต้องมีอะไรทางหลายเรา่อนี้เนคุณสมบัติก่อนคือถิงห้าธิบายเสร็จสินพิธีเบื้องต้นแล้วตอนนี้ไปจะนำให้ทำกรรมฐานนั่งสมาธิต่อไปการทำสมาธินั้นหมายถึงการจะทำจิตของเราทำจิตของเราที่ มันวุ่นวายให้มันอยู่ในความสงบอย่างนั้นการทำสมาธิวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายพึ่งเข้าใจเจ้ว่านั่งให้ปกติสบายขัดสมาธิให้สบายแล้วก็ให้ดูท่าทีของเราที่นั่งอยู่คือร่างกายเนี่ยให้ตรงแล้วก็นั่งกายให้ตรงแล้วก็ดับตาลงสักนิดหนึ่ง แับปิจารณาสภาวะที่เราอยู่นี้ลมหายใจเป็นอย่างไรความรู้ลมหายใจเป็นอย่างไรให้รู้จักในตัวของเรามีก่อนยกจิตขึ้นมาเฉพาะลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าอันนี้เป็นหลักสำหรับที่ให้ความรู้สึกเราตามลมเข้าออกอยู่เสมอ ทุระที่จะให้ต้องทำในปัจจุบันยนี้ไม่มีอะไรมากให้ยมให้มีสติให้กำหนดลมออกจะกลมเข้าลมออก้ะกลมเข้าให้สบายอย่าทำลมให้มันยาวเกินไปอย่าทำให้มันชั้นเกินไปอย่าทำให้มันเบาเกินไปอย่าทำให้มันแรงเกินไป ลอยตางสภาวะของมันกายกับจิตลอยจะไปบังคับมันธุราหน้าที่ที่จะทำวันนี้ก็เป็นอย่อย่างนี้โยมต่างหลายอย่าคิดมากไปกว่านี้ความคิดหรือความรู้สึกของเราที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้มันวิ่งไปทางหน้าอย่าให้มันกลับไปทางหลังอย่าให้ไปทางซ้ายอย่าให้ไปทางขวาอย่าขึ้นทางบน อย่าให้ลงข้างล่างทำจิตให้รู้เฉพาะจิตลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี้เท่านั้นพอนั่งมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่านั่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นนั่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีความเกิดขึ้นมามีความคิดขึ้นมาอย่างนี้แลาไม่ต้องการไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องตามความคิดเจ้าของทุกอย่าง ตามความรู้ให้ตามลมเข้าแล้วก็ตามลมออกเข้าออกเท่านี้เมื่อหากว่าจิตที่มันไม่สงบเกิดขึ้นมามันวุ่นวายให้สืบลมเข้าไปให้มากที่สุดแล้วก็เจ็บว้แล้วก็หายลมออกไปให้หมดที่สุดแล้วก็เจ็บว้3สามครั้งแล้วก็ตั้งจิตกำหนดลมต่อไปอีกอย่างเดิมแต่จิตบุ่นวาย เห็นไหมปรากฏลมไหมที่มันออกทางจมูกเข้าทางจมูกเห็นหรืยังผู้รู้ลมมีแล้วหรือยังให้รู้เฉพาะเดียวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ให้คิดอะไรมากมายให้ดูรวมอย่างเดียวเทนะ่านั้นแล้วปล่อยลมให้สม่ําเสมอปล่อยลมให้สมา่าเสมออย่าให้มัน ้าเกินไปให้มันเร็วเกินไปอยาให้มันยาวเกินไปอยาให้มันชั้นเกินไปมันพอดีขนาดไหนก็อเอาขนาดนั้นแล้วก็เป็นปกตินั่งกำหนดลงเข้าออกเท่านั้นก็พ อ, อแล้วอันนี้เป็นธุระหน้าที่ที่จะต้องทำในปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี้ยกจิตขึ้นมาจะเห็นไหมเห็นจิตเจ้าของไหม เห็นลมไหมเห็นจิตไหมเห็นลมไหมลมมันเป็นอย่างไรผู้รู้ลมอยู่ที่ไหนให้ตามรู้อยู่เสมออย่างนี้ตลอดเวลาอยาสรงจิตไปทางอื่นอยาสรงจิตไปทางนอกไม่ใช่เรื่องของเราเสียงคนพูดเสียงรถเสียงเรือ อย่าพึ่งไปจับมันมาปลอ่อยมันมันคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราทุระหน้าที่ของเราให้กำหนดจิตคือรู้รมเข้าออกเท่านั้นกพอแล้วไม่ต้องทำความรำคาญไม่ต้องทำความยุ่งยากกับเพียงอันอืนอ่นและกับคนอื่นๆ่นเอาเกลียงนั่งเข้าที่ที่สงบเงียหลับตาลงสักนิดหนึ่งนั่งอยู่เพื่อนราบพอนั่งคัตสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตาให้ตรงกำหนดลมหายใจข้าออกให้สม่าเสมอเท่านั้นเอาลงมือทำได้แล้วลงมือทำการปฏิบัติได้แล้วมันลำบากจะหน่อยอันนี้เรียวกว่าการนั่งนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะนั่งตลอดไปหรอกนั่งสมาธินี้ ั้างตัวจิตให้สงบพอได้เป็นฐานจิตในบุญวายอตอนนั้นเรามีโอกาสที่จะนั่งเวลาสักสามสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็คันนั่งของเราปัดเราสุดแล้วให้จิตเป็นสมาธิจิตมันเยียดเย็นจะหากว่าเราทำนานในการนั่งะ่ะมันไม่ยากหรอก พอนั่งเขาสักสองนาทีเท่านั้นันก็สงบเท่านั้ น, นอันนี้ใน่เคยตามรักษามันมนั่งปล่อยมันไปทั่วนานเรื่องก็ไปตามเรื่องมันเท่านั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกนะบางคนเราก็ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นว่ามันยากมันลำบากเยอเกินอย่างนั่งวันนี้แหละ บางท่านบางคนมันจะทุกข์มากคลิกไปคลิกมาอยู่อย่างนั้นแหละอ่นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันมันเจุกละลานเพราะเรายังไม่เป็นเราฝึกใหม่บางคนก็ท้อใจว่าเห็นว่ามันทํายากมันลาบากอ่าอะไรทํายากๆมันมทาได้เน่มันดีอะไรที่มันง่ายงมันทํายง่ายมันต้องทําหรอกที่มันสะอาดอย่างเนี้ยไหมจะไปทำสะอาดมันทำไม มันสะอาดอยู่แล้วได้ทาที่สุขกรบอกให้มันสะอาดนั้นจึงเกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเส้นสร้างอาคารหลังนี้หลังที่เราเดิมานั่งกรรมาฐานบัเ น, นี้ก่อนจะสร้างอาคารหลังนี้นะ่ะสถานที่นี้อยู่ไม่ได้ต้องขนไม้มาขนเด็กมาขนปูนมาสารพัดอย่างจิตตะละลามอยู่ตรงเนี้ยอยู่ไม่ได้รนะเพราะอะไร เพราะเรายังสร้างไม่เสร็จบาตนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนั่งสบายไหมมีอะไรเรจ็บกระลลานไหมคือเจ็บปูนเขา้เเเข า, ทเเขาที่มันเจ็บเด็กเข้าที่มันเจ็บไม้เข้าที่มันเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเรจ็บกระลลานเขานั่งสบายอย่างนี้ก่อนมันก็ต้องลำบากอย่างนั้นเหมือนกันอาคารดังที่เรานั่งอยู่นี้ยิ่งยั่งนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ นี้องเปรียบผู้ประมาประมาอย่างนั้นอันนี้เราเริ่มทำไม่ว่าจะสร้างอาคารในแม้เรียนนั้งสืกีก็บที่เสียดพวกเรากันใช่ไหมไม่อยากไปเรียนในที่เสียดมันต้องบากพ่อแม่ต้องถูกบังคับไปดังนั้นนอดังนั้นเราที่ไปเรียนจึงมีความูู้วิชามารู้จักคุณค่าของการศึก ษ, ษาเราเรียนเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องฝึกคิตดลวิธีอย่างนี้ แนะนำจิตเราอย่างนี้จิตจึงจะมนกําลังเมื่อเราทําำํานานแล้วไม่ต้องนั่งเราอยู่ที่นี้ก็ได้เราจะนั่งชกนั่งเก้าอี้ทํางานเราอย่างนีน้มีความกำหนดรู้มีสติจิตตามอารมณ์ของเราอยู่ดันจิตมันก็สงบได้ทาจนจิตเรามันฉลาดทําจนจิตมันชํานานทําจนจิตมันเป็นอย่างนั้น จะยืนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะนอนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะเดินไปไหนมาไหนมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นมันถึงความตรงของมันแล้วบางคนก็ความคิดคิดว่าจะบังคับมันอย่างนี้เรื่อยไปลำบากทุกยากอย่างนี้เรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นการงานที่เราทำเสร็จแดงมันก็สบายที่เรายังไม่ทำไม่เสร็จมันก็ยังไม่สบายเหมือนกันนีไม่แบกอะไรกันเลยอย่างนี้ ถ้ามันทํำลาบากมาหยุดอย่างนี้อาจจะมากคนนี้แแล้วเหมือนกันเอาเห้ือนกันเนีงน้นกันมันทุกข์ยากลําบากอือเดี๋นี้มันในลาบากอย่างนั้นมันเกิดผลจะแล้วพอจะว่าเราอยากจะให้จิตสงบตอนนี้มันนั่งหยุดที่ไหนดับตาตรงกำหนดจิตแล้วก็สงบตอนนั้นเนี่อย่างนั้นมันฝึกมันแล้วมันง่ายอืม มื่จิตใจวุ่นวายเรานั่งสงบทเนี้ยมันก็รวมพลุบกันมาแล้วเลิกปัญหาก็หมดไปอย่างนี้นอกนั่นไปแล้วก็สงบเรามีความรู้สึกพิจารณาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องมันหลับไปที่เกิดได้มันก็หลับไปท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายไอ้ความดีใจเกิดจะมาวูบันก็หายไปเอ้ความเสียใจเกิดขึ้นมาวูบหนึ่งก็หายไปแต่ไม่มีอะไรกันแล้ว แต่เราไปหิ้นตามมันเลยเป็นทุกข์เป็นพลาดของมันเท่านั้นเนี่ยมันเกิดจล้วก็รับไปเกิดเนี้ยก็รับไปเ้ารู้ธรรมะอย่างเนี้ยจิตก็สงบพร้อมกันปัญญาเกิดขึ้นมาปัญหามันก็ไม่มีมีมันก็น้อยไม่ต้องแก้มันนะมันจะแก้ในตัวมันเองได้นั่นเนี่ยต่อไปนั่นนะ่ะมีคือปัญญาเรายัางเน่เกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราท<ม>ําคิดหรือถูก เราคิดถูกหรือคิดผิดในปัจจุบันนี้อย่างนั้นอนาคตท่านก็มาให้มุ่งมันอดีตตั้นให้วางมันจะทําในปัจจุบันอย่างนี้จิตมันก็สงบเท่านั้นแหละเดือใครมีความเห็นอย่างไรไหมมีอะไรไหมเขาถามว่าลูกพ่อจะสบายใจอย่างไรที่ไปดูสุนัขคือมันสัตว์นั้นมันมันทุกข์มันถูกอะมันถูกขังไว้นะครับ ถังอันจะมาคนไม่ได้จะถังมันใครที่ไปถังมันคนนั่นเดี๋ยวเป็นโทษเท่านั้นเนี่อันจะมาจะไปเป็นอะไรล่ะอันนี้อันนี้ที่ไปประบาทเนี่ยนกนกเขาจับมาแล้วก็เอามาขายวันนี้จะก็ปล่อยมันไปแล้วก็พรุ่งนี้จับมาขายวันนึ่งจะมาเดินก็ไปในประบาทเลียวะน้องพ่อ ชื่อนกปล่อยอ่ะมันยังในกงนรกงน่ะอาตมาตาเรมองเนี้ยงก็งกี่ใครจับมันมาฉันจับมันมาใครจับ ม, มาตะคนนั่นล่อยมันดิจช่อาตมาปล่อยมันทําไมละ่ะโยมจับมายอมก็ปล่อยมันเท่านั้นเนี่ยอาตมาไม่จับมาจะปล่อยทําไมละ่ะอืมนะอาตมาไปปล่อยนกโยมโยมก็โกรธเท่านั้นแหละ <c oughs> แต่ผมมองดูนะทักมาจากไหน ไช่อุเบกขาเนี่ยมาเราไปทําไม่ได้นกเขาเจับมาถังไว้เนะี่ยไปปล่อยเองเขาดิดจิตจราจรเขาจิมันยิ่งเป็นโทษใหญ่แตแล้วนะ่ะรอยกรรมของกัดมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะทําไงมันเราก็ไปดูเนี่ยเป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางๆไม่ส่งเสริมไม่ติดต่อดูเท่านั้นเนี่ยกรเด็นเรองรกมันเป็นงนะี่เนาะถ้าเอาไปถ้าไม่เอามาขังให้คนเขอยากจะดูมัน จับมันมาถังไว้ความเป็นเรื่องของโลกถ้าหากว่าเราจะไปบังคับ้ันก็ปล่อยมัดีไหมเนี่ยี่เกิดเรื่องใหญ่เนาะถ้าเราเห็นอย่างนี้นะก็ปล่อยไว้เป็นกลางๆใช่ไหมเป็นอุเบกขามีคิดมัธยัสอยู่ไม่ใช่วางเฉยมันเกินไปคิดอยู่เหมือนกันแต่วางใจเป็นกลางไว้แบ่งให้คนจับมาอย่างหนึ่งแบ่งให้โนกเขียนวัตถุกันอย่างหนึ่งก็อยู่ที่เฉยไม่มีอะไรนะเนี่ยเนี่ยโลกเป็นอย่างนั้น ถ้าเรู้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทำไงมีอะไรอีกไหมพวกเจ็บปวดหรือว่าทุกนั้นครับความสุขเมื่อเหมือนกันยังไรนะครับหรือว่าคล้ายกันยังไรนะครับเหมือนกับกระ้นไม้กับปลายไม้ต่างกันหนึ่งไรไหมทั้ทงก้นกับทั้งปลายมันเป็นไงไหมทุกทุกทั้งสองอย่า ง, างนี้ตัองอ้งใหญ่ไปจับมันอย่าไปหมาย ม, มั่นมัน ทุกกับทุกข์เหมือนกับงูให้เราเห็นแล้วก็ปล่อยมันด้วยมันไปยถ้าไปจับแล้วมันกัดเห็นไหมทุกข์ของฉันมันกัดสุขของฉันมันกัดเหมือนงัวทุกก็เหมือนงูตัวหนึ่งงูสารพิษทุกข์ก็เหมือนงูสารพิษนั่นแหละถ้าเห็นแล้วเห็นว่ามันเป็นพิษก็ปล่อยมันไปยสุกทุกข์ก็เหมือนกันเหมือนงูท่านเราไปจับมาแม้มันสุกแล้วเกินเนี่ยเนี่ยมันหายไปมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมา มันมีลาคาเท่ากันนั่นแหละแต่ให้คิดในธรรมะถึงจะรู้จักแต่คนเราไม่ชอบไม่ชอบทุกเอาเาสุขทางนั้นนะไม่ใช่เอาสุกเหมือนเอาทุกกันนี่ยเอาทุกเหมือนเอาสุกนนะขข ม, ม, กนนะมันเป็นอย่าง น, านั้นเอาอีกมีอะไรอีกไหมข้าถามเรื่องการปฏิบัติในปัจจุบันนะครับจะทํากันยังไงถ้ า, าว่าเราปัจจุบันอย่างเดียว ไม่ได้เลยลึกถึงอดีตที่เราได้เรียนได้ทําอะไรมาและได้วางโครงการที่จะทําต่อไปนั้นมันมันจะจ ะ, จะมีขั้วเจริญยังไงนะครับเรายังไม่เข้าใจในธรร ม, มประปัจจุบันนี้ก็เพราะมันผลของอดีตใช่ไหมปัจจุบันนี้มันเป็นเหผลของอนาคตใช่ไหมเมื่อเรามาพิจาณปัจจุบันนี้ก็มันพิจารณ า, าอาดีตอนาคตเท่านั้นและมันจะไปตรงไหนละ่ะนี ก็เพราะปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุมันเป็นผลของอดีตมาเป็นปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอน า, า, าคตคือต่อไปนั้นธารามาพิจารณาในในใ น, ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนเราพิจารณาในอดีตอน า, า, าคตเท่านั้นในสองสยํามอันี้มันมากกว่าคือข้าวถามว่าครับในการปฏิบัติของพระ อ, อคือ ปฏิบัติก็ดีอยู่ในตามประเพณีของศิศส อ, อน อ, อ, อป็นมองไทยเรานี้ครับแต่ว่าเขาสงสัยว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ค่อยสมดุลเพราะว่าการจะเลี้ยงเราการจะ อ, อุปถรัรมภ์เราอะไรทุกอย่างก็โยมมาทำให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นความเห็นของ ชาวโถงจบหลายคนนะนก็ค้าชๆว่าเขาไม่ได้พูดจะไปในํา น, นองว่าเราเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันจะทําอย่างนั้นมันจะให้มันสมดุลย่างไนนร <laughs> ถ้าโยมไม่ได้ไปขโมยของเขาเนี่ยเพราะว่าโยมไปขโมยของเขามันจะกินของเขา ไ, มนนขาไหม <c oughs> อ, อย่างนั้นแหละ <c oughs> ไม่ต้องยากเลยเนี่ย <c oughs> ทําไปนี่เปื่อเมตตาสัตย์ ใครมีความทุกข์มีความเห็นผิดสอนในรู้เรื่องกันให้สล้วมาขีดโงเครียวกันสอนในคนรู้จักธรรมะให้โกเครียวกันในเบียดเดียนซึ่งกันในการแต่เรามองเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเห็นแก่ตัวนะแต่พตระก็ไม่เอาอะไรนี่แค้นมือเดียวเท่านั้นนี่ลิงก็ไปยังเลี่ยงใบตัวหนึ่ง น, นะมันกินแต่ข้าวแล้อตั้งแต่คนมาดูเท่านั้นนี่ะเลี่ยงพระไว้เนี่ยสอนคนในรู้จักศีลธรรมไม่มให้เดียดเดียนซึ่งกันในกันอย่างนั้น โยมจะไปเห็นแก่ตัวตามใจเท่นั้นแหละเอาดีสิเอาดีสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านนะมี่อะไรเอาใจถามเได้คือข้าถามเรื่องบัตรที่องค์กานนะครับมีเรื่อง จะมาอาชีวการเลี้ยงชีวิตชอบนะั่นเขาเป็นทนายความและก็ต้องมีการเขียนการอะไรต่ออะไรหลายอย่างในการเป็นทนายความอย่างนี้เขาควรจะปฏิบัติอย่างไรในชีวิตเขาและตามสมาอาชีพทั่วๆไปสำหรับคนใดรู้จักทนายความเหรอล้วตรงไปตรงมาหรือเปล่า พยายามอยู่ไม่ว่าจะทนายความนะนายหลวงก็ช่างเถิดาทําไม่ถูกแล้วไม่ถูกทั้งนั้นถ้าทาผิดมันไม่ถูกแวมันผิดทั้งนั้นไม่ว่าจะทนายความยนายหลวงก็ช่างเถิดการําผิดแล้วมันไม่ถูกหรอกมันผิดทั้งนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้แก้ไขอะไรแก้ไขให้มันถูกทั้นั้นเน่ยอย่าไปทำผิดทงนั้นก็พอแล้ว นอกนั้นจะต้องพยายามหาเอาจะค่อยๆไปโรยดีที่ไหนโดยเ น, นื้อทีปัญญาของเราตรงที่เราจะต้องทํางานเราตีเจนาเอาเองมันผิดหรือถูกต้องเทียนาเอาเองจะเป็นทนายความเรียนเรียนกฎหมายเนี่ยหมดจะตางมากเหมือนกันนะไม่ควรจะทําในมันผิดดีกว่าตรงทุนมากแล้วจะทําในผิดดีมันก็ไม่เคยดีเท่านั้นเนี่ยถ้าถามพระพระก็ต้องตอบไปอย่างนี้นะ ธรรมะมันเป็นอย่างเนี้แล้วก็สุดแแต่โยกจะยกไปปฏิบัติเอาด้วยปัญญาของโยมเนี่ยนะในการปฏิบัติเราควรจะดูอย่างไรเป็นเป็นป้ายดูในเป็นป้ายหรือว่าเป็นมุมอหมายในเป็นหลักเป็นหลักก็ได้เป็นหลักในการปฏิบัติเราละคนจะดูยังไงนะรดูจิตของเราสิดูจิตของเราเนี่ยมันตรงไปตรงมาหรือเปล่า เนี่ยมันเปียดคนนั้นไหมมันรักคนนี้ไหมมันช่วยคนนั้นไหมมันไม่ช่วยคนนี้ไหมดูจิตของเรานเนี่ะไม่ดูอื่นหรอกมันมีอันเดียวเท่านั้นเนี่ยมีจิตอันเดียวเท่านั้นทำจิตที่มันตรงนเท่านั้นดูจิตของเราสัมมาทิสตรีก็เกิดตรงนั้นเน่ะตรงที่จิตเท่านั้นเน่ยชาวพุทธเชื่อมีอาจหน้าไหมนะครับฮอว่ายังไง คืมีชีวิตตายจะพบชาติอันนี้จะมีพบชาติอันต่อไปไหมครับอ๋อข้างหน้ามีไหมเงินเนี่ครับพรุ่งนี้มีหรือเปล่าอนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่าอันนี้ให้จะคิดเอาเองถ้าถ้ายมถามว่าไอ้ชาติหน้ามีหรือเปล่าถ้าอาจจะมาว่ามี คุณจะทำํำไงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อคุณก็ง่้ น, นั่นแหละก็พอนั่งอยู่ในการอาจะม า, าว่างชาติหน้ามีก็เชื่อไม่มีเหตุอะไรล่ะนี่ดูอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบแต่แล้วอ่ะตอบจะเป็นยังไงพรุ่งนี้มีหรือเปล่าอนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่ามันก็เหมือนกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้ยรู้เท่านี้ ป, นปัญหามันต้องแก้อะไรเองเทอนนั้น การจะมาวาไอ้ชาติหน้ามนีโยมก็เชื่อถ้าโยมเชื่อโยอมจงหมดปัญญากันก็จะมากระหน่งเดี๋นี้เองว่าชาติหน้ามีทั้งกรเชื่อไม่มีเหผลอะไรเนะนี่ยมันเป็นแต่อย่างนั้นแต่มันไม่ใชไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบจะแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องย้อนเสหายจะห่องใหต้ติจักเงนั้ น, น, นถามปัญหาแล้วจะต้องเอาไปปฏิบัติยจะถามทิ้งนะต้องจับไปเป็นประกอบให้ปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาให้เป็นข้อปฏิบัติ ที่นั่งสมาธิเงียังไม่สงสัยแล้วเนี่ยอยู่ตอนนั่เนี่นั่งสมาธิงียบๆเนี่ยไม่สงสัยจ้ะนั่งไม่เหนื่อยเลยไยคนอื่นเขเหนื่อยอันนี้ไม่มีบทเลยเหนื่อยหรือเปล่าล <c oughs> กลางพรงนี้ไม่มีอะไรนะอาญาตย์ยมทุกๆคนนะ วันนี้อาจะมาขอลาไปก่อนแล้วเนาะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับไปแล้วทุกๆคนแต่อมีความวบุ่นยินดีใจใจมากถึงแม่วายมจะจะถามปัญหาทุกอย่างพอใจพอใจที่จะให้ความเห็นพอใจที่จะตอบตรงไปตรงมาเที่ยงนี้เอาแค่นี้ก่อนนะอือบรมให้เดี๋ฝึกย่อมฝึก บอกความเป็นจริงว่าคนที่จะสอนซึ่งกรรมฐานนั้นตามความจริงแล้วน่ะต้องเป็นพระสงฆ์ศา ส, สานานี่เกิดมาจากพระพุทธเจ้าเกิดมาจากผู้บริสุทธิ์สุดทองโดยตรงนะแต่ว่าพราะจหัดตัวได้เหมือนการแต่มันโดยออกไม่ตรงไปตรงมาให้ระวังเดี๋ยวนี้กรรมฐานเยอะ กรรมฐานเยอะอย่างนี้ครูสอนกรรมฐานกว่มากระวังมันจะถูกครูปลอมก่ามันจะลำวากใ้ความกลัวมันก็ดีเหมือนกันนั่งยิดิึครูบาอาจารมันกลัวไม่ไม่กล้าจแสดงอะไตัวอะไรตัวตายมันตายตัวนั้นจะไม่ตายตัวคิดในความคิดของคนเราเนี่ยมันแปลกอ่ะที่มันสั่งเดินยในในปรู้จัก อย่างที่นอนเราเราทํำไ้เดินไปไปถึงที่นอนมันขี้อยากจะนอนทนนรนู้วเป็นไงในครัวยังเงินไม่ตั้งใจเข้าไปแล้วเข้าไปในครวัวเลยนึกอยากอาหารอะไรนั้นอันนี้ได้ไปที่นอนก่นขึ้นอยากนอนจิตใจมันเป็นย่างเงินคนเราเขาเป็นยางไงคือคือคือไม่ไม่ค่อยอยากจะนอนหรอกธรรมดาน เวลเดินผ่านไปสิงส่งที่นอนตะปูนนนะปยอย่างตอ น, นะ น, น, นนี้ครคร่ยนอนมเป็นเป็นมุสอย่าน้นะี่เมื่อกันไปนั่งใกล้ครูมายันจะเพิ่มกาลังเนี่มันกระดึ๊กรึปกดวดไม่ค่อยจะมากอะไรเราคพอดทนไปดีที่จะระดึกความคิดเราเนื่องนะกาหนดเบื้องแรกเรานั่ง ก็นั่งไปคุกวางคือคือนั่งการ น, นั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่าการเอาใจใส่ในมันมากคือทำโดยการปลอยวางปกติกายเราปกติลงเรามันเป็นยังไงพอเรานั่งเองาขาเพราะว่าทับใ า, า้พอดีกตกหลอยจะหายใจตามสบายไม่ต้องหยุดไม่ต้องรัดไม่ต้องเอาสั้นเอายาวปล่อยตามสบายแ้าก็กำนัตต่ว ไอ้รมันติดยังไงไอ้ป้อู้รมันติดยังไงตามสบายทูกเรื่องมันบางทีมันสงบไปเลยเราจะไปหวังอะไรมันมากมายบางทีหวังอยากแต่มันสงบเกิดกัดฟันเยเอาแม่นอนเงียนั่ยาอะไบางอย่างก็ได้เอาทูบไปจูดไปถ้าทูบดอกนี้มันหมดฉันต้งจากสิ่งนี้หยุดจะไปทาสิ่งนี้เลยจไปทำพวกสิ่งโนไปเลย พอหยุดทูบก็เป็นนั่งก็ต้องแรงหมดทุดอกนี้หมดแค่ น, นี้ในดือตาดีแล้ว <st> โอ้เนมะไรบมางโอ้ายเลยเนี่ยนั่งลำคาญอยู่แล้วไปนั่งสองนาทีรูดด้มันนานเนยือตาปูย่า ก, กันแล้โอ้ด้อตาีเลยออกถ้าออกมาได้บานมันก็ไหวเจอของไม่ค่อยสั่งแต้สๆๆๆั้นงานเลยดีเลยวุ่นวายเลย มันไม่โทษคนในไายโทษเจ้ของอยาหวานเจ้ของทีดอยู่ในใ้นภาวนาะคือมันหวังเกินไปคนจะวังเป็นห้วนตัวหนึน่งในตัวเลยเ น, นั่งใจกัน้วกไม่ตัว ย, ยิ่งล้จะไปยิ่งลำบากลองลองดูไปได้สู้เราไม่ได้นั่งดับลาบมันเลือดลมมันยนนิ่งไปีูมันจะขาด ตัวขาวเส น, น, นอยู่ในระบบเรื่องปวเดเรานั่งนั่งปกติอย่างนี้คิดนั่งคิดเนี่ยลมหนึง่งลมสองคิดของเราทีขอารู้เนียถ้ามันถูกต้องมันเนีการเจ็บปวดที่เกิดยังไม่เกิดมันจะปวดก่อนนะฮะคิดจะปกรเนี่ยอันนี้ปวดที่หนักหมมีการปวดเด้แล้วถ้าไม่ถูกมันบางทีมันไม่เข้าจะมาที่มันอึมมันไว นานได้เก็บกอดวกอดอะไรทีนั่งสมงไปได้แต่ถ้าปวดไปเนี่ยแต่เรานั่งง่ายบทีมันปล่อยผิมันมีความสมบูรอนนั้นเกิสมีปล่อยสมงไปอย่างนี้เคยมีในบางครั้งมันสมงไปง่ายเราจัดลมนี่ปวดนี่ดูเคย่อยๆปวดทุกวันตัววันปวตกวันปทุกวันตัววันเนี่ยมันลาบเลยเมื่อเรานั่งทุกลงเลือดตัวมันวิ่งสมง แต่เรานั่งหมาถึงว่าบมงมันจะขาดอยู่เลือดดวงมันวิ่งมันจะกันอ่ารนี้ไปไหนไปไม่เจ็บปวดท่านทำให้ดีแล่วถราคุณจะจัดมาให้นั่งเนี่ยมันตรงที่นั่นเร่างนี้เี็นั่นเรื่องนี้ที่นั่นเร่องนี้นั่งมันจะท่าทางตรงข้าปคือคือคือมันมันมันมันมันสบายทุก่วนเลือดดวงมันสบายใดูคุณพระดุจมันเป็นตัวอย่างคืองดวงพ็ะแดงแล ออกมึงได้จะปล่อยมันสบายทีนี้มันเมื่อวางกาลูกมันกคือมันสงบเลยไม่รู้สึกปวดเลยมันไม่อยากรู้ก็มไม่อยากไปที่ไหนมันสบายอวันนั้นทั้งเ่าจิตสงบแล้วมันบอกตอนเช้ามาอีกมันจะสงบสบายมองไปในบาน้านันมีที่เรื่องถูกอกถูกใจ ด, ด้วยนะนะัน้นเนี่ยเมื่อจิตมันสงบแล้วนะสบายไม่วุ่นวาย ถ้าคิดไปโทรจะมองมองไปในครัวดีนมัวนวุ่นวายขนาดนั้นผมถึงวุ่นวายมั น, มมนยุ่งในใจของเราเราคิดสมาธิมันรูจักเมื่อจากวันนี้ผมจากวันนี้จะทำทำให้คนสบายตางแดมันกิดสมาธิดีฝึกก็พยายามลุกจะนั่งสมาธิแต่ว่ามันทำยากทำาม เราทำใจมันติดใจมันเคยถ้าเราถ้าเราเคยเรติดลย่ไม่ทำไม่ไดให้เราจิดจิตได้จิตตามจิตจะจิตจิตตามติตตามผู้รู้ไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิเียเมื่อที่เราทำนะอย่างเราอยู่บ้านนะตอนกลางวันเราหายต่อในบ้านมันก็มีหัวหน้าตรงตรงนี้นเรจะทำ ส, สัก้ <salty> นานาทีกคืมได้กันนั่นให้มันติดตอบนันเพราะว่าตอนกัางคือในเวลามันร้อยชอบเก็บไว้ในตอนกลางวันเก็บเมื่อเวลามันบ้านเราเก็บเราเรืยึงเราจะเก็ยเมือตื่นบโต๊ะห่นเเวลาราวัดจำนวักก่อนคือตรงหัใจประสาทกระตุ้นห้านาที่ืเสีย ไอ้ความรู้สึ ก, กมันจะมีข้ามจากการทำสมาธิของเรามันจะติดต่อมาเบางคนก็เข้าใจว่าการการทําสมาธิการปฏิบัตินี้างนี้จะเป็นการการนั่งอย่นี้อันนี้ไม่ถูก เ, เมื่อเรามีสติอยู่นั่นไรพี่สติอยู่แล้วมันถูกจากความชอบเราอยู่เสมอเมือ่อกิจบูดบาอย่างนี้เราเรานั่งพักหนึรงคำเราจิตตามจิตต้ามันอยู่นนเสมอ เมื่อเราเมื่อเมื่อเราไม่นอนเมื่อเราไม่นอนให้เราติดตจเข้ามาอยู่เสมอเลยถ้าเมื่อเรานอนแระบบหายใจเข้าองอกแบบนี้ตั้งใจนอนนอนแล้วก็บอกจิตของเราว่านอนนี่แล้วก็ตั้งใจนอนเมื่อตื่นขึ้นเมื่ อ, อไรเราจะทําความเย็ยนตรงนั้นนะสำหรับลมหายใจออกตรงนี้ ท, ทีนี้ทำทุกวันทุวันนะทีเนี้ในการดับของคนนะมันจะไม่รับนตัวตื่นมันจะดีตัวตื่นมันจะดีนนะดคนนอนดมมือคนนอนกัดฟันนั่นภาวนาอ่านอยู่ดีไม่ดียิ่งจะไม่ฝันไปด้วยคือมันฝันในท้า้มันตื่นอยู่เราลืมตาไปดีที่ไม่ฝัน นี่เราจะเห็นหลายการที่พระพุทธองค์แทนมาท่านในนอนท่านในหลับคือจิตมันตื่นจิตมันตื่นอยู่ไม่เสร็ไม่เสร็การหลับไม่เจท่านในไม้ศิษาท่านไม้ศิษานในตื่นแล้วจิตมันตื่นถ้าเมื่อเราจะนอนเราถูกกำหนดหายใจต่อเออนอนพุ๊บจะไปมันตื่นอยู่มันรู้อยู่เมื่อคนจะมาหาพุ๊บแนั้นรู้นะ พูดง่ายคนขโมยของไม่ได้พูดกันอย่างง่ายนะมันตื่นมันตื่นอยู่ในหลับหลับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในหลับมันฟังยากเหมือนกันนะฟังยากมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นจกว่านี้นะเมื่อินเป็นนั้นเนี่ยมันมีวอลลกอเลยยากก็ในเรื่องความสามารถของมนุษย์เาใน ชีวิตการปฏิบัติของเขาก็ดูยากที่ว่าจะอันใดที่สําคัญอันไดที่จําเป็นในชีวิตในการกระทําในชีวิตของเขาพอเมื่อทําแล้วก็รู้สึกว่าจะมีประโยชน์แต่เมื่อทำมาแล้วพิจารณาแล้วเมื่อทำมาแล้วแล้วแบบคิพิจารณาก็เลยสงสยัย สิ่งทั้งหลายลนั้นมันจะก็มีประโยชน์หรือเปล่าที่เราทํำสมาธิเลิกทํามาดีก่าไม่ทมําได้วดูอย่างนี้ก็รู้จักที่เราสงสัยนี่นเราอยากได้มากกว่านั้นเท่าไหร่อยากได้มากกว่านั้นอยากได้ดีมากกว่านั้นมันก็ดูดูแล้วรู้มันไม่ไป็นไรอะไร ไปต่อกับความอยากของมนุษย์เราโกรธง่ายไหมเคยโกรธไหมไม่โกรธง่ายับแต่ว่าเคยโกรธรู้ทันมันไหมเนี่ย <Yeah. S 2> จะ้ดูน oh. ี่เม่อกี้โกรธแล้วก็เห็นโทษคทมๆกันแบบไหนไหมนั่นแหละมันดีแล้วมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้อย่างนั้นถ้าคนไม่ทํำสมาธิมันจะเห็นอย่างนี้ไหม ค่อยๆดูเท่านั้นยาวเหให้มากเลยอย่าไปสร้างความหวังใสีมากมันรู้จักว่ามันรู้เท่าความโกรธมันระดับไปดูเท่นั้นเพรนี้เราเอาใจแบบเดียอย่างเดียมากเลยก็เรายังอยู่ในครรวะอยากใช้มันหายความโกรธถ้าตอนนี้ไปบวชกันมันมีคนเดียวมัต้องพูดกับใครก็ดีคือคือคือการกระทําทําสมาธิทําปฏิบัติเนี่ย ไม่จะทําเพื่อเอามานะทําเพื่อวาองออกจะทำเอามัน อ, อย่าทำเพื่อความอยากทําเพื่อความปล่อยวางถ้าทําเพื่อความอยากทําเพื่อการนมามันก็สงสัยตั้งคิดใหม่ถ้าทํำในความอยากอะไรมันก็ไม่พอแล้วแต่มันมีปัญหาไปเรื่อยๆไม่อยากมันจะทําะไรยังไงนะ มันจอนอยากทำขึ้งทำได้จนกิบ แ, แล้พเราคาดยางเลยจะมาเสี่ยงเลยป้าใรื่องวัานไม่ให้ยากเจะทำยังไงทำไมทำกันนะเนียเนี่ยมันนีมั น, นมนนีที่แก้อย่างเงี้ยแต่เราพูดที่จะทาไม่ทำเลยกนอยาทํโดยการปล่อยวางแ่คนที่ฟังเนี่ยทำโดยการปล่อยวางไม่อยากทำทำไมทำกันนะตอบแค่นี้ อันนี้มันตงจงไม่ที่ยานายมันดีๆเหมือนเรื่องอะไรมันที่ดีที่มันก็มีปัญญาหลายเหมืแน่ันมีเจริญสิทนะทิฏฐิมิฏฐาทิฏฐิรับธรรมาทิฏฐิมันสู้กันเลยมันมีข้อแก้ทุกอย่างนะมันที่สู้ในว้ยตกกบาน